มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะไม่รู้ว่าในหลวงพระองค์นี้มีดีอย่างไรพระอาจารย์วันอุตโมพระอุดมสังวรวิสุทธิเทระพระอุปถากหลวงปู่มั่นที่ทำหน้าที่นานที่สุดพระอาจารย์วันตั้งใจออกบวช ด, ด้วยตัวเองเมื่ออายุ15บปี และได้ตามพระอาจารย์วังทิติสาโรออกทุดงเที่ยววิเวกตามสถานที่ต่างๆอยู่ถึง 4, สี่พันษาก่อนจะกลาบลาไปศึกษาทางปริยติธรรมที่วัดสุทธาวาสและต่อมาได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์เสากันตะสีโลซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายกรรมฐานสามารถท่องจำปฏิโมกได้ภายใน20วันและสอบได้นักธรรมโทในขณะเป็นสัมเนนสอบได้นักธรรมเอกในไม่กี่ปีต่อมา หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพระอาจารย์วันได้มีโอกาสไปจําพรรษาและอยู่รับใช้พระอาจารย์หลุยจันทสาโรที่วัดป่าบ้านหนองผือและในที่สุดก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดอุปถากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งได้เดินทางมาจําพรรษาที่วัดนี้พอดีในขณะนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน และพระอาจารย์องค์อื่นๆคอยแนะนำในการอุปถาพระอาจารย์มั่นด้วยต่อมาท่านได้ลาไปปลีกวิเวกไปภาวนาในป่าอันรกทึบมีเรื่องอัศจรรย์ในช่วงแรกว่าท่านเกิดอาพาธอย่างหนักอาเจียนและถ่ายจนหมดแรงแต่สุดท้ายได้ฉันเกลือที่เหลือจากการฉันมะขามป้อมของพระอาจารย์มหาบัวที่ติดไปด้วยอาการก็หายเป็นปลิดทิ้ง ในป่านั้นเองท่านใช้ความอดทนต่อหญิงสาวที่มายั่วยวนในที่สุดเห็นว่าสถานที่ไม่เหมาะสมจึงต้องหลีกออกมาและตัดสินใจเดินทางไปทุดงกับพระอาจารย์มหาบัวพอใกล้วันวิสาขะจึงเดินทางกลับมาอุปถากคพระอาจารย์มั่นเหมือนเดิมซึ่งพระอาจารย์มั่นได้ให้กำลังใจและให้โอวาดว่าการเจริญอาณาปณะสติก็เป็นทางที่ดีเหมือนกัน เพราะการเจริญกรรมฐานแต่ละอย่างเมื่อจิตจะรวมลงเป็นสมาธินั้นย่อมน้อมลงสู่คลองอนาปานาสติเสียก่อนจึงรวมลงเป็นสมาธิพระอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่ากรรมฐานส0สห้องเป็นน้องของอนาปานะาดังนี้ในปีต่อมาพระอาจารย์วันก็กราบลาไปทุดงภาวนาอีก และเมื่อพระอาจารย์มั่นอาพาธท่านก็ได้กลับมารับใช้อุปถาพระอาจารย์มั่นจนถึงวันมรณภาพและชาปนะกิจเสร็จถือว่าเป็นผู้ที่ได้อุปถาพระอาจารย์มั่นได้ยาวนานที่สุดนับเวลาได้ประมาณหปีเพราะปกติพระอาจารย์มั่นจะไม่อยู่ที่ใดนานนักเพราะท่านเป็นนักปฏิบัติจึงเปลี่ยนสถานที่บาเพ็ญไปเรื่อยๆหลังเสร็จกิจ พระอาจารย์วันก็ออกทุดงปลิกวิเวกตามป่าเขาในภาคเหนือและลงไปภาคใต้ยอยู่หลายปีจึงเดินทางกลับไปที่ภาคอีสานและได้ก่อตั้งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมขึ้นซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาภูพานในช่วงแรกนั้นความเป็นอยู่ในวัดค่อนข้างลำบากมากแต่ก็เหมาะแก่การภาวนาต่อมามีปัญหาการเมืองเกิดกลุ่มคอมมิวนิสต์ พระอาจารย์วันก็โดนเพ่งเลงและปองร้ายเพราะคิดว่าท่านสนับสนุนพวกอยู่ป่าแต่ท่านก็ไม่หนีเพราะเชื่อมั่นในกรรมดีเคยรับกิจนิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์และต้องเทศให้ญาติโยมฟังในตอนเย็นด้วยกว่าจะกลับถึงวัดก็ค่า ม, มืดจึงถูกทหารกราดยิงด้วยปืน M16 แต่พระอาจารย์วันและคณะก็เดินกลับวัดด้วยอาการปกติโดยไม่มีใครเป็นอะไร ภายหลังผู้บังคับบัญชาทหารก็ได้ไปกราบขอขมาเพราะเป็นความเข้าใจผิดกันซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงประกาศเคอร์ฟิลห้ามออกจากบ้านในยามวิกาลทหารเขาก็คิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนอกจากเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีจริยวัตรอันงดงามและเคร่งครัดในการปฏิบัติสามารถเทศนาธรรมได้ลึกซึง้งจนเป็นที่นิยมของประชาชนผู้ใฝ่ในธรรม พระอาจารย์วันยังได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศอีกเช่นสร้างโรงเรียนอภัยดำรงธรรมและให้ทุนนักเรียนพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์แก่โรงเรียนหลายแห่งรับอุปถัมภ์ศูนย์เลี้ยงเด็กบ้านเหล่าใหญ่บ้านส่องดาวบ้านท่าศิลาสร้างอ่างเก็บน้าทาถังกรองให้ชาวบ้านโครงการหลายโครงการที่ทาให้ชาวบ้านหลายอาเภอได้มีน้าประปาใช้ ไปช่วยเหลือแนะนำพระเนนที่ไปสอบนักธรรมทุกปีกิจวัตรประจาวันของท่านคือตื่นนอนเวลา2นาฬกาทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมทำวัดสวดมนต์และออกบิณฑบาตเวลา7นาฬกาฉันเสร็จบำเพ็ญภาวนาถึง12นาฬกาพักผ่อนและบำเพ็ญเพียรต่อ14บสถึง16นาฬกาหลังจากนั้นรับแขก กวาดลานวัดและทํางานอื่นๆ19นาฬกาอบรมพระเน22น22นาฬกาจึงจําวัดพักพรอนจะเห็นได้ว่าท่านเป็นพระปฏิบัติจริงมีจริยวัดที่งดงามนา่าเคารพและเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเท่านั้นเป็นพระที่ไม่สนใจลาบสักการะตอนแรกท่านตั้งใจอุปสมบทเป็นพระเมื่อ 25-26 เพราะต้องการให้พรรษาอ่อนกว่าเพื่อนพระรุ่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่มักใหญ่ไฝ่สูงหรือไม่ต้องการลาบสการะนั่นเองเมื่อมีผู้บริจาคส่วนตัวท่านก็จะเฉลี่ยให้เพื่อนสหธรรมมิกหรืออนุเคราะห์ไปยังวัดต่างๆพระอาจารย์วันอุตตโมวัดธรรมอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครมรณภาพในวันที่27เมษายนพยุทธศักราช2523สิ25 23, สริอายุรวม59ปี ย่อความจากประวัติพระอาจารย์วันอุตมโมโดยพระปริยัตสารสุทธี